เรื่องไม่มีมูลห้าเรื่อง141สมัยนั้นเมื่อภิกษุเจ้าหน้าที่กําลังแจกอาหารแก่สง์ภิกษุรูปหนึ่งกล่าวคําไม่มีมูลว่าจงให้เพื่อภิกษุอื่นอีกส่วนหนึ่งแล้วรับไปท่านเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอาบัตปาราชิกหรือหนอจึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระองค์ตรัสว่าภิกษุเธอไม่ต้องอบัติปาราชิก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 ภิกษุเธอไม่ต้องอบัตปาราชิกแต่ต้องอบัตปาจิตตีเพราะกล่าวเทศทั้งที่รู้วงเล็บเรื่องที่42สมัยนั้นเมื่อภิกษุเจ้าหน้าที่กาลังแจกขนมแก่สงภิกษุรูปหนึ่งกล่าวคำไม่มีมูลว่าจงให้เพื่อภิกษุอื่นอีกส่วนหนึ่งแล้วรับไปท่านเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอบัตปาราชิกหรือนอ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 เราต้องอบัดปาราชิกหรือนอจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระองค์ตรัสว่าภิกษุเธอไม่ต้องอบัดปาราชิกแต่ต้องอบัดปาจิตตีเพราะกล่าวเทจทั้งที่รู้วงเล็บเรื่องที่44สมัยนั้นเมื่อภิกษุเจ้าหน้าที่กาลังแจกผลมาพลับแก่สงภิกษุรูปหนึ่งกล่าวคาไม่มีมูลว่า